29. การเจริญสติปัตาฐานให้ใช้อารมณ์ที่เราถนัดวงเล็บเปิดยี่หกกุมภาพันห้าห้าสิบในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากหรอกที่เยอะเพราะสอนคนจำนวนมากธรรมะเพื่อที่คนคนหนึ่งจะพ้นทุก์มีไม่มากหรอกใครถนัดรู้กายก็คอยรู้กายไปถ้าเป็นรู้ที่ถูกต้องสติจะเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดพอสติเกิดและสัมมาสมาธิเกิดแล้ว บางทีสติก็ระลึกรู้กายบางทีสติก็ระลึกรู้จิตถึงตรงนี้ไม่มีแล้วสายกายสายจิตอะไรแล้วแต่สติจะระลึกบางคนเริ่มต้นดูกายไม่ได้ก็เริ่มต้นดูเวทนาก็ได้หรือเริ่มต้นดูจิตตรงๆเลยก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกคนไหนรู้กายได้ก็รู้ไปคนไหนรู้เวทนาได้ก็รู้ไปคนไหนรู้จิตได้ก็รู้ไปรู้อะไรได้ชัดก็เอาอันนั้นแหละฉะนั้นในการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น ให้หาอารมณ์กรรมาฐานมาอันหนึ่งที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่เราเคยรู้อะไรก็เอาอันนั้นแหละถ้ารู้แล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้นแหละอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ท่านถนัดรู้กายสมัยเป็นพระหนุ่มเนน้อยท่านดูกายกันทั้งนั้นแหละท่านทำความสงบมาแล้วก็มารู้กายรู้ไปรู้ไปสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาคราวนี้ยืนเดินนั่งนอนท่านรู้สึกตัวได้ทั้งวันจิตแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง ท่านรู้ได้ทั้งวันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตในที่สุดก็เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งจิตมันไม่ใช่ตัวเราก็ได้ธรรมะเป็นลําดับลําดับไปมาคนรุ่นหลังๆทําความสงบแล้วมาดูกายทําไม่ไหวไม่มีเวลาพอชีวิตของคนรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นชีวิตที่คิดทั้งวันตุนในวงเล็บดังตรินเขาบอกว่าในเครื่องหมายคําพูดมีชีวิตที่คิดไม่ถึงใช่ไหมเขาเขียนหนังสือคิดไม่ถึงหรอก คิดอย่างไรก็ไม่จบหรอกคิดทั้งวันคิดทั้งคืนเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีชีวิตที่คิดอุดตลุดมันทำความสงบไม่ได้หรอกทำความสงบไม่ได้ก็ดูกายไม่ถนัดแล้วจะรู้กายได้ดีเหมาะกับคนที่ทรงฌานทําสมาธิถ้าไม่ได้ทรงฌานไม่ได้ทรงสมาธิใจวอกแวกวอกแวกอย่างพวกเราจะมาดูกายดูไม่ทันหรอกพอจะเริ่มรู้กายจิตก็หนีไปที่อื่นแล้วดูไม่ทัน ไม่ทันจะแจ้งรู้สึกนิดเดียวหนีไปที่อื่นแล้วลืมตัวไปเป็นวันๆฉะนั้นเมื่อใจเราทำความสงบไม่ค่อยจะได้เราอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่มันวุ่นวายตลอดเวลาแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นชีวิตในโลกอย่างนี้ไปทำความสงบไม่ไหวเราก็ดูจิตเข้าไปเลยจิตมันฟุ้งซ่านดีนักมันขยันทางานนักดูมันเข้าไปเลยเราจะเห็นเลย จิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวสงสัยหมุนติ้วติ้วอย่างนี้ทั้งวันดูมันไปเรื่อยถ้าดูจิตถูกต้องก็จะรู้ทั้งจิตรู้ทั้งกายด้วยไม่ใช่รู้จิตอย่างเดียวหรอกไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่เห็นกายถ้าดูจิตแล้วไม่เห็นกายก็เดินชนโน่นชนนี่ไปทําอะไรก็ไม่ได้หรอกฉะนั้นสติที่แท้จริงเกิดเราหัดดูจิตไปจนจิตจําสภาวะของจิตได้แม่น เช่นมันโกรธขึ้นมาก็รู้มันโลภขึ้นมาก็รู้มันหลงก็รู้ไปแอบคิดก็รู้พอจิตจําสภาวะแม่นสติก็เกิดเองพอสติเกิดแล้วมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจอย่างบางคนบอกว่าหลวงพ่อหัดมาทางดูจิตดูกายไม่เป็นหรือไม่จริงหรอกอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับกายเราไหวอย่างไรเรายังรู้เลยเห็นตลอดรู้สึกทั้งวันรู้สึกทั้งคืน รู้สึกทั้งกายรู้สึกทั้งใจไม่ใช่ไม่รู้สึกฉะนั้นเบื้องต้นรู้อันใดอันหนึ่งก่อนเท่าที่เราถนัดคนไหนถนัดรู้กายก็เห็นกายมันทำงานไปคนไหนถนัดรู้จิตก็เห็นจิตมันทำงานไปฝึกไปฝึกไปก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตยังหัดรู้กายไปนี่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวมันมีสองแบบอันหนึ่งมันเคลื่อนไหวอัตโนมัติอีกอันหนึ่งมันเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่ง จิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้แต่ก็ไม่ได้สั่งได้ตลอดอย่างตอนเราหลับเราสั่งให้กระดิกมืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ร่างกายก็ส่วนกายสั่งงานมันไม่ได้แล้วมันจะพลิกซ้ายพลิกขวามันพลิกของมันได้ฉะนั้นถ้าหัดดูกายก็จะเห็นจิตด้วยไม่ใช่เห็นแต่กายหรอกดูจิตก็เห็นกายได้ยังพอจิตมันโกรธขึ้นมาร่างกายมันก็เปลี่ยนเช่นหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดขึ้นหน้าร้อนบูบวาบตัวสัน่น นี่โกรธมากคนไทยเก่งนะมีโกรธจนตัวสั่นอะไรอย่างนี้แสดงว่าโกรธมากเต็มที่แล้วโกรธคลุ้มคลั่งใครเคยโกรธจนตัวสั่นไหมมีไหมเคยเป็นไหมสนุกไหมมันก็แปลกดีเนาะความรู้สึกนี่กระทบมาถึงกายถ้าเราดูจิตจนชำนาญ น, นะกายเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเราก็รู้รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตหรอกเวลาจะบรรลุพระโสดาบันก็คือเห็นทั้งกายทั้งจิตว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่เห็นเฉพาะอันใดอันหนึ่งลำพังแค่เห็นกายไม่ใช่ตัวเรานะของหมูหมูหัดกับหลวงพ่อเดือนเดียวก็เห็นแล้วแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมามีสติระลึกรู้กายก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวเรา